ใช้ชีวิตนะตามปกติเท่าที่เราจะทําได้โดยเพราะในฐานะนักปฏิบัตนะิปกติธรรมดาของพวกเราก็คือการปฏิบัตินะเรามีการทําวัดสวดมนต์ทุกเช้าและเย็นเรามีการปฏิบัตินะไปกับการเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะ ก, ก็ดีหรือว่าการมีความสึกตัวกับ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 อย่างเช่นเมื่อวานนี้เราก็มีการทาวัดกันผ้าที่มาทำวัดกันที่นี่ก็ไม่มากเพราะ่วนจ๋ก็ไปทำวัดกันที่วัดภูเขาทองแต่วัดนั่นก็เป็นส่วนเล็กน้อยแลที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้กิจวัตรของเราในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง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 มีความหวันไหวก็ให้รู้ทันนะถือว่าเป็นสิ่งที่เรียนรู้นะจากชีวิตจริงจะไม่ใช่เสียหายไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้าหาว่าเราจะร้องไห้หรือว่าจิตใจวันไหวแต่ว่าจะดีถ้าเกิดว่าเรารู้ทันเห็นอาการที่เกิดขึ้นเห็นความเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นเห็นความวันไหวที่เกิดขึ้น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 แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้ น, ม, นมันไม่ปกติอย่างยิ่งแล้วทุกวันนี้เราก็ยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วันนั้นเหนะมือนในงานหนึ่งที่หลวงพ่อจากไปเมื่อเช้าเมื่อของเมื่อวานนี้ก็ก็คงเป็นเวลาที่เราคาไม่ถึงเหมือนกันนะก็จะว่าจะเรียกว่าปลูกปรับก็ได้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 แปล่ยนอะกลายเป็นดีนี้ไม่ไําไปนึงว่าเปลี่ยนเหตุการณ์ภายนอกนะเพราะความสูญเสียหรือการที่หลวงพ่อละสังขารไปมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ละแต่วันเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้หรือเปลี่ยนอ่าสียงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแทนที่จะเศร้าโศกคล่ําครวนนะก็ เห็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นความไม่จรังยั่งยืนของสังขารความทุกข์ที่มันฝังอยู่ในสังขารทุกชนิดอย่างที่ทุกวันตอนเช้าอย่างที่เมื่อกี้เราสวยกันเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้ว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 ดีแท้ินี่ก็ดือก็คือไม่ใช่แค่ทําดีนะเท่านั้นแต่ว่าต้องภาวนาฝึกฝนใจให้เห็นความจริงให้จัดจัดรมจะได้พ้นจากความทุกข์ได้ไม่เป็นอะไรกับอะไรนะหรืออย่างน้อยก็มีทานำพาชีวิตนะอย่างที่หลวงพ่อได้เขียน ย้ำเตือนพวกเราในบันทึกของท่านหลวงพ่อจากไปนะเขาจากไปแต่ตัวแต่ว่าคําสอนซึ่งเกิดซึ่งเป็นหัวใจของท่านเป็นอาชีพที่ท่านรักหลวงพ่อท่านพูดอยู่เสมอาเนี่ยอาชีพของท่านก็คืออาชีพที่สอนกรรมาฐานท่านก็ได้ทิ้งคําสอน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 มาแจ้งกับคณะสงฆ์ว่าพระสายลิบุตรได้ปรินิาพานแล้วอระตุนทานี่เป็นน้องของพระสาลิบุตรแล้วก็เป็นพระอราหันต์ด้วยเมื่อท่านนําข่าวการปรินิาพานของพระสายลิบุตรมาแจ้งกับคณะสงฆ์ก็มีพระหลายรูปทีเดียหนะ้าที่เสียใจคร่ําครวญรวมนักพระอานนท์ด้วยพระพุเจ้าก็เลยตัดถามว่าสายลิบุตร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 พาไปสู่ความเสื่อมได้แต่ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องนะจอยทำให้เราเนี่ยเกิดความตื่นตัวเร่งร้าไม่ปล่อยปากแล้วเลยเร่งทำความเพียรเพื่อทำให้เข้าถึงบรรลุซึ่งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างบางคนก็มี มีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่ที่ต้องดูแลเราก็ต้องไม่ประมาทก็ต้องทําหน้าที่ที่มีต่อท่านให้ดีที่สุดขณะที่ยังมีเวลาบางคนมีลูกมีหลานอก็ต้องใส่ใจดูแลอันนี้เราเป็นการทําความเพียรเพื่อประโยชน์ท่านส่วนหน้าที่ต่อตัวเองเราก็มีเหมือนกันก็คือหน้าที่ที่จะทําให้ตัวเองไม่ทุกข์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 ก็ปล่อยวางหมดแล้วเพราะท่านมีปัญญาลายเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือได้เลยสักอย่างแม้กระทั่งกายและใจนี้แต่ก็ไม่ได้นิ่งดูได้ท่านก็ยังทำอะไรต่ออะไรมากมายเพื่อประโยชน์ของชาวโลกอันนี้แหละก็คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องจนหนักนะแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยการรักษาความปกติ ให้เกิดขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นกิจวัตรแล้วก็ในส่วนที่เป็นสภาวะใจของเราเอาละชาวนี้ก็พูดกันเท่านี้